จะตั้งความปรารถนาอะไรไว้จากกระบวนการอันนี้ครับมันจะพาไปเองเป็นศิลปะแห่งการกระทาซึ่งปราศจากหวังผลถ้าย้ำคำนี้ช่วยจำไว้นะครับไม่เพียงในคำสอนของพูะเจ้าเท่านั้นผู้รู้ครั้งอดีตก็สอนอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่ภาษ า, าจีนก็มีคำหนึ่งว่าอู่ฝุยแปล ว, ว่าทำทำต่ไม่ได้ทำอะไรคำนี้แปลแปลกมากครับ เมื่อเข้าถึงอู่ฝุยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วดังนั้นเราทำความจบสิ้นชีวิตของเราแต่ละวันหนึ่งชาติหนึ่งชีวิตหนึ่งประกอบด้วยวันหนึ่งหนึ่งแต่วันหนึ่งหนึ่งเราทาดีที่สุดแล้วชีวิตหนึ่งมันจะดะีเพราะว่ากำแพงเมืองจีนที่ยาวเวยน็นสร้างด้วยอิฐทีละก้อน ถ้าอิทุกตอนผูกกำแพงนั้นมือผลักทีเดียวกำพังถ้าวันหนึ่งหนึ่งคุณไม่สามารถตั้งหลักเข้ามาในตัวเองได้สั ป, ปดาห์หนึ่งก็ใช้ไม่ได้ปีหนึ่งก็ใช้ไม่ได้แล้วชาติหนึ่งก็ล้มเข้าใจไหมครับดังนั้นปิดฉากวันหนึ่งหนึ่งเราให้ดีที่สุดครับเพราะวันหนึ่งหนึ่งนั้นเป็นเครื่องบอกถึงการเข้าถึงในวันหน้า น้ำหยดหนึ่งหนึ่งเมื่อรวมตัวเัข้ากก็กลายมันทะเลขึ้นและพลังมันก็สูงดังนั้นเราก็เก็บสะสมนะครับเรียก ว, ว่าสะสมความรู้สึกตัวเขา้าใจั้มมันไม่เหมือนกับสะสมเหรียญหรือเงินเพราะว่าพอเราสะสมเต็มกระปุกเราก็ทุบไปซื้ออะไรเสียแลกเปลี่ยน ไอ้นี้มันมันแลกเปลี่ยนกับใครไม่ได้เลยครับของใครของมันเมื่อสะสมมากขึ้นมนความรู้สึกจะเต็มตัวขึ้นมามืความรู้สึกเต็มตัวขึ้นมาชีวิตก็แปลสภาพไปอีกชั้นหนึ่งเช่ชนพอสติเต็มก็แปลหน้าที่การงานจากการมีสติคือกิจที่ละความไร้สติก็แปลมาเป็นพลังของสมาธิซึ่งละความฟุ้งซ่านของอารมณ์ ที่เกิดการซั์สายไปหลายเรื่องเมื่อสะสมต่อไปมันเกิดเห็นรูปเห็นนามเห็นทระตรัลักษ์ขึ้นมาเห็นขันห้าที่แท้แล้วก็ขันห้าที่มีปารทานครอบงำคือถ้าพูดโดยย่ อ, อคือเห็นความคิดครับเห็นความคิดวูบความคิดปรุงแต่งออกไปและเห็นสภาพนอกความคิดได้เมื่อเห็นอย่างนี้ก็เป็นปัญญาครับาเรียกว่าธรรมมาจากสุมันเป็นเช่นนั้นหน้าที่ของปัญญา ทำหน้าที่ละความไม่รู้ไม่เห็นหสติทำหน้าที่ละความไร้สติสมาธิทาหน้าที่ละความสั่สายของอารมณ์ของจิตปัญญาทาหน้าที่ละความไม่รู้ไม่เห็นสัจธรรมของชีวิตดังนั้นด้วยการเจริญสติอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะก้าวไปเองโดยที่ไม่มีอะไรยั้งมันอยู่ เมื่อเราปลูกต้นสาแต่เราเข้าใจผิดเราไปเอาเม็ดกรวดมาปลูกลดน้ำสักห้าปีก็ไม่งอกเพราะเข้าใจผิดแต่ถ้าเราไปเอาต้นสายมาลงดินและลดน้ำถ้าเม็ดมันยังมีชีวิตมีเชื้อชีวิตอยู่มันก็จะโตขึ้นในช่วงต้นเราต้องบดขยงงบครับปกป้องมันก่อนเพราะมันมียอดออกถ้ายอดมันแรลงกับมันก็แตกมันสองแง่งมันแตกสองแ ง, ง่งโตช้า ก็้าใจไหมครับคืเห็นไหมครับที่ผ ม, มในวัดนี้ผมเห็นต้นไม้หลายต้นถูกโคนเมื่อสมัยทําไร่ดังนั้นจะเกิดเป็นสองสองแง่งตั้งแต่ที่โค่นเลยเข้าใจไหมครับดังนั้นมันก็แย่งกันสองฝักสองฝา่ายถ้าเรารักษายอดให้ดีนะครับมันก็โตขึ้นพถึงระดับหนึ่งครับมันแตกพุ่มแล้วนี่ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเข้าใจไหมครับมันเป็นเองครับแล้วก็แผ่กิ่งก้านออกไปตาม พืดพันธุ์ของมันนั่นเองดังนั้นในช่วงต้นนี้เราต้องรักษาครับตามรักษาความรู้สึกตัวที่มีขึ้นแล้วพอเราไปหัวลอกกินกิกก้าก็หายไปทันทีเพราะเราไม่ไม่คุ้มครองอย่างตอนบ่ายไอย้ตอนเช้านะครับผมสังเกต ด, ดูหลายคนรู้สึกตัวดีใช่ไหมครับแต่พอไปกินข้าวลืมครับแล้วก็ไปคุยเรื่องอื่นมันก็หายไปอีกแล้ว ดังนั้นเราต้องตามซ้ำตามซ้ำอยู่ให้มันชำนาญให้รู้สึกตัวได้ง่ายและไวคุ้นเคยสนิทสนมเหมือนกับว่าเราไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเราไปหาครั้งเดียวนาด จ, จะจำหน้าเราไม่ได้ไปอีกไปอีกไปอีกจนกระทั่งวันในสุดเห็นหน้าทั้งกันยิ้มทักก่อนเพราะว่าคุณนหน้ากันดีเรียกว่าเราเข้าถึง เราก็ถึงก็เราเลยกลายเป็นสมาชิกของท่านผู้ใหญ่คนนั้นไปหรือเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนไปเลยก็ได้เดี๋ยวนั้นเมื่อเราคุ้นเข้าคุ้นเข้านะครับความสนิทสนมทําให้เราเข้าสะดวกเข้าใจไหมเหมือนเราไปเยี่ยมผู้ใหญ่เนี่ยไปครั้งแรกยามันไม่ให้เข้ามันพอคุณมีบัตรผ่านประตูไหมต้องพูดกันนานครับแต่ถ้าเราไปบ่อยไปบ่อยที่หลังก็เห็นหน้าเนี่ยยามมันไม่สนใจแล้วเชิญ มันเชิญเลยง่ายขึ้นครับเมื่อเราทาบ่อยเข้านี่ยพยงต่ก้มลงมาดูใจเท่านั้นจะรู้สึกตัวทันทีเพราะว่ามันมีอยู่แล้วครับนะอย่างนี้เรียก ว, ว่าความเข้าคล่องความง่ายดายความสนิทสนมความที่ทำได้อย่างฉับพลันทันได้นั้นต้องตามซ้าบ่อยๆครับในสุดก็จะเกิดเป็นทางขึ้น เมื่อเราเดินผ่านป่าเนี่ยเดินทีเดียวนี่ไม่เป็นทางครับแต่เดินซ้ำไปซ้ำมาบ่อยเข้าเนี่ยมันเกิดเป็นทางเห็นชัดๆเลยครับเข้าใจไหมครับดังนั้นเราต้องทำบ่อยทีบ่อยไว้ทั้งหมดนี้จะเป็นไปได้ดีต่อเมื่อรู้จักกาจัดอุปสรรคครับจะรู้จักที่เลิกคบกับคนพาลรักษาตัวให้ห่างไกลจากคนที่ไร้ส ตัดเรื่องที่เอามาคิดแล้วมันไม่มีประโยชน์และฟุ้งซ่านออกเสื้อผ้าหลายตัวมันมีปัญหาแม้ฉันจะเก็บก็แมงสาบก็เข้าไปก่อขวนให้เหลือเสื้อผ้าน้อยลงเฉพาะที่จะใช้มันจริงๆนอกนั้นแจกเป็นทางให้คนอื่นได้ใช้บ้างเมื่อทมนี้นะจะเกิดคุณก็คือ ค, อความคล่องตัวคล่องใจเบาตัวเบากายเบาใจดังนั้นสติก็ยิ่งง่ายขึ้นอีกครับเข้าใจไหครับ เมื่ี้มีหลายคนบ่นนะผมฟังน่าเห็นใจมากๆครับผมก็จะรายงานให้อาจารย์ทราบเดี๋ยวนี้เลยการที่หลายคนมานอนรวมกันรบกวนเพราะบางคนสติเริ่มดีขึ้นแต่ว่าสี่ทุ่มครึ่งนะคนที่นอนค้างยังคุยกันไม่รู้จะหยุดดังนั้นก็รบกวนพักผ่อนไม่เต็มที่ครับสตินั้นในเบื้องต้นน่อาศัยร่างกายและการพักผ่อนที่สมบูรณ์กันคือต้องนอนหัวค่านอนง่ายนอนไว แล้วตื่นขึ้นมาก็สบชื่นสติจะติดตั้งได้ง่ายครับแต่ว่าถ้ากลับจากสวนมอเพลียมามานั่งถูกขนาบอีกก็เลยอ่อนเช่ะ อ, อ่อนโยนใหญ่คำนับอย่างนี้มันมันยากมากครับพราะผมอยากให้ถ้าเป็นไปได้นะครับคือไอ้นี้คงขึ้นกับอนาคตที่ผมเคยไปจัดรายการนะครับทั้ง ในประเทศหละต่างประเทศก็ดีนี่ทุกคนจะมีห้องของตัวซึ่งถึงเวลาก็กลับเข้าไปในห้องไปนั่งปฏิบัติต่อ น, นอนก็นอนหลับสนิทตื่นง่ายอะไรเรล่อนี้นะครับก็คิดว่าช่วงบ่ายนี้พูดตั้งชั่วโมงพอดีเราก็ปฏิบัติเลยเอาละครับนั่งแยกตัวห่างรับอย่านั่งติดกัน พยายามมองลูกตาเพื่อนเดียมก็ยิ้มกลับมาเดี๋ยก็ได้คุยกันอีกเคลื่อนตามถนัดนะครับใครอยากเคลื่อนแบบมุทาก็ได้เคลื่อนแบบตัดก็ได้การปฏิบัตินั้นมีมีอยู่สองลักษณะนะครับคือปฏิบัติแบบธรรมดาและปฏิบัติแบบอุกฤษ อุกฤตแปลว่าอะไรครับแปลว่าเอาเป็นเอาตายกันทีเดีแต่ปฏิบัติธรรมลำดาก็คือเหมือนที่เราทํากันแล้วยถ้าอุกฤตจริงๆนะคือไม่มีช่องว่างเลยผมเคยเคยแนะนําให้คนปฏิบัติแบบอุกฤตจนกระทั่งผมต้องออกข้าวไปให้กินคือคื อ, คอทำทำไปเรื่อยๆติดต่อถึงเวลาแล้วไม่ต้องออกมากินข้าวแต่เว้นไว้ไปส้วมผมเอาไปส้วมมาให้ไม่ได้คื อ, คอต้องไปเอง ถึงเวลาข้าวไปให้กินกินเสร็จไม่ต้องล้างชามทำอีกแล้วอิริยบททั้งสี่นั้นประสานกันอยู่ตลอดเข้าใจครับจากนั่งเคลื่อนไหวก็ยืนยืนเดินเดินก็หยุดนั่งนอนนอนขึ้อนอย่างนี้วนเวียนกันอยู่เป็นวันๆครับบางคนเขาปฏิบัติทั้งเจ็ดวันแต่สุดทรงหน้าตาเปลี่ยนไหมนนะ คือรูปล่างสแลนเดอร์ขึ้น <c oughs> คือดูสละสะลวยขึ้นเพราะว่าตลอดเวลาขึ้นไหวใครอยากลดความอ้วนแล้ไม่ต้องกินยาหรือไม่ต้องอดอาหารนะง่ายนิดเดียวปฏิบัติแบบอุกฤษขึ้นไปสักเจดวันนะได้เรื่องไขมันที่เอวหายเป็นกระบี่เลยวันนี้การปฏิบัติที่เราปฏิบัตินะครับมันครึ่งครึจริงจรครึง่งครึ่งเลเลครับวันนี้เราทวีขึ้น จะดีไหมครับเราทวีขึ้นทวีคือปฏิบัติปฏิบัติเช่นนี้แล้วพอเลิกเราก็เดินจับความรู้สึกจนกรทั้งไปที่ที่พักเวลาอาบน้ำก็จับความรู้สึกอยู่นะอาบเสร็จถูตัวก็ทำช้าๆครับถูช้าๆแล้วก็ก่อนจะนอนก็ปฏิบัติ ด, ดีล้มตัวลงแล้วก็เคลื่อนมือ ห, หลับไปด้วยจิตดวงสุดท้ายซึ่งรู้สึกตัวซึ่งมันจะกำหนดให้ในขณะที่หลับมันจะไม่ไม่ฝันครับแล้วพอลืมตาตื่นคลิกมือทันทีครับเข้าใจัหยครับพอตื่นปั้มคว้าตัวนี้ก่อนจิตดวงแรกที่สำคัญคพอตื่นมาหันไปดูเพื่อนตื่นเนี่ยอย่างนี้มันมันมันออกนอกตัวครับเนียพอลืมตาตื่นปั้มคลิกมือ นอนเล่นอีกหน่อยก็ได้ครับแต่ว่าพลิกมือเพื่อย้ำเตือนให้มันให้มันคุ้นแล้วค่อยๆลุกไปล้างหน้าหรือไปทำธุรกิจส่วนตัวนอย่างนี้เรียกว่าเราทวีให้มันเข้มข้นขึ้นผมหวังนะครับว่าเสียงคุยจะน้อยลงกว่านี้อีกทั้งวัดนี้ครับได้ยินในเสียงนกกรลมเนี่ยนั้นวิเศษมากๆแล้วเสียงแม่ค้าปลาไม่มี มีครั้งที่ที่พระเจ้าอาชาศัตรูนะครับโดยการนําของหมอชีวกนําเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งมีภาษาววพระภิกษุประมาณพันรูปประชุมกันอยู่พระเจ้าชาศัตรูเข้าไปแล้วเงียบกลิบจนกลัวครับจับประแสงคือกลัวจะถูกศัตรูลุงล้อมหมอชีวก็บอกไม่ต้องกลัวหรอก มีภิกษุพันรูปแต่ทุกรูปรู้สึกตัวดีอยู่ทั้งนั้นพระเจ้าแผ่นนั้นสังเกตเห็นพระพันรูปนั่งเฉยไม่มีใครพูดกันเพราะทุกคนต่างจับความรู้สึกตัวอยู่ถึงพระเจ้าแผ่นนั้นถึงอุทานของอัศจรรย์จรรยิงเรรรรนาะที่คนตั้งเป็นพันนะครับมีจุดร่วมกันอยู่อย่างลึกซึ้งคือทุกคนรู้สึกตัว ดังนั้นถ้าเราสำรวมมาที่ตัวเองนะครับเราจะทำให้บรรยากาศทั้งหมดเป็นสุขแล้วเราเลยพลอยเป็นสุขด้วยแต่ถ้าคนคนเดียวลุกขึ้นเตลระบาเพื่อนกบลางนั่งนี่มันบรรยากาศจะสูญเสียไปทันทีน้องเคลื่อนไหวเคลื่อนจะช้าหรือเร็วขึ้นก็ได้ครับแต่ให้มีจังหวะ อย่างนี้เรียกสร้างมีจังหวะเคลื่อนแบบมีจังหวะไม่ต้องไปสนใจมือนสนใจที่ความรู้สึกตัวส ด, ส ด, สดอันเกิดจากการเคลื่อนมือโดยธรรมชาติแล้วมันจะเคลื่อนไหวขึ้น แต่ก็ได้จังหวะจัโคนเหมือนเดิมถ้ารู้สึกจะไวเกินไปจนจับความรู้สึกไม่ทันก็ลดลงให้พอดีให้พอรู้สึกตัวได้ ด้โมดธาตุเช่นเดียวกันทั้งสิน้นแม้ผิวพนร์วันะจะต่างกันก็ตามกายประกอบไปด้วยธาตุที่ดิบเป็นน้ำลมลไฟไฟในที่นี้หมายถึงความอุ่นอายุ่นนี่เรียก ว, วัตถุธาตุที่ประกอบเป็นกายไม่ว่ากายนั้นจะอยู่ในน้ำสมุิของพระจักรพรรดิ ราชินีหรือขอทานก็ประกอบเหมือนกันในสุนัข ก, ก็เหมือนกันร่างกายนี้มีกฎเกณฑ์ธรรมชาติของมันเองครับคือมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องพอหิวไปแล้วก็ตายวันหนึ่งในร่างกายนี้จะล้มลงแล้วสิ้นหลงสิ้นใจญาติพี่น้องก็เอาไปฝังไปเผาตามเรื่องตามหาง ธาดน้ำที่อยู่ในร่างกายก็จะแตกแยกออกซึมแทรกไปในดินคำว่าธาดน้ำหมายถึงน้ำเหลืองน้ำลายที่เป็นของเหลวนะาดไฟก็ละเหยแข็งแข็ ง, ขงนี่เป็นเรื่องของกายส่วนเรื่องของจิตนั้นที่เรียกว่าวิญญาณบ้างจิตบ้างทุกคนก็มีวิญญาณเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อชีวิตประกอบด้วยสองส่วนนะครับโรคก็ต้องแบ่งเสองส่วนคือโรคทางกายนะโรคทางจิตอีกหนึ่งโรคทางกายนั้นเช่นปวดหัวเป็นไข้ตัวร้อนเป็นปวงเป็นหวัดมันเกี่ยวกับร่างกายเกิดบกพร่องอุณหภูมิไม่สม่ําเสมอหัวร้อนเท้าเย็นเด็กก็ เกิดอาการขึ้นทางกายเมื่อป่วยทางกายนั้นเราต้องไปหาหมอหรือถ้าเราเป็นหมอเองหรือเรารักษาตัวเองได้เรารักษาแบบทางกายจนนอุณภูมิไม่สมเสมอก็หงผ้าซิกินยาซิไปหาหมอไปโรงพยาบาลนะครส่วนโรคทางจิตจิตใจนั้นมันมีอาการเช่นเดียวกันคือเป็นทุกข์ทรมาน แต่ว่าสมุขฐานมันต่างกันทื่โรคทางใจส่วนใหญ่คนจะไม่รู้จักรู้จักแต่โรคทางกายปวดวัวเป็นไข้ตัวร้อนเป็นหวัดเป็นมะเร็งแต่โรคทางจิตใจนี่นคือสิ่งที่เรียกว่าราคะโทสะโมหะอันนี้เป็นเชื่อโรคทางใจเป็นอาการเจ็บป่วยทางใจเพราะมันไม่ได้เป็นที่กายมือนี่ครับ เจ้าของมันโมโหใครมันตกหน้าเขาก็ได้แต่ว่ามือไม่เกี่ยวมือมันอาจจะเจ็บด้วยซ้ำมันร้อนแดงขึ้นมาเพราะว่าผู้ตกไม่ใช่มือเข้านจไครับกายนี้ไม่ได้ทำร้ายใครจิตก็ไม่ได้ทำร้ายใครแต่ว่าเกิดมืดมัวขึ้นมาเราเรียกสิ่งมืดมัวที่เข้ามากระทำให้กายและจิตผิดเพี้ยนือนั้นเราเรียกสิ่งนั้นว่ากิเลสกิเลสแปลว่าสิ่งที่มืดมน มักจะแปลกันว่าเศร้าหมองมัวหมองดังนั้นกิเลสท่นเองที่เรียกว่าโรคทางจิตใจซึ่งเราต้องรักษามันจะไปโรคทางกายไปหาแพทย์ครับหาหมอหรือรักษาตัวเองก็ได้จะเป็นยากลางบ้านสมุนไพรหรือยาคลินิกก็สุดแท้อันนี้มันก็อะไรเรื่องแต่โรคทางจิตใจนั้นไม่มีทางรักษาด้วยยาขนาดไหนเลยต้องไปหาธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมครับ ไม่มีทางอื่นเลยเพราะหมอเองก็ป่วยอยู่นหมอที่รักษาเขาอยู่นั้นก็ป่วยทางจิตใจด้วยเราจะคิดว่าจิตแพทย์อะไรนั้นจะรู้ผมรู้จักจิตแพทย์หลายคนแล้วผมจับได้จิตแพทย์เหล่านั้นไม่สบา ย, ยด้วย ค, คือมีปัญหาทางจิตเท่าเท่ากับชาวบ้านที่ตัวเองรักษาวิธีเดียวที่รักษาโรคทางจิตใจนั้นก็คือการเจริญวิปัสสนา พ่ปัาสนนเหมือนเสมือนเราเปิดประตูห้องที่อบชื้นให้แสงแดดส่องเข้าไปถึงทุกซอกทุกมุมมันจะทำลายเชื้อลาที่ที่แฝงอยู่จนตายหมดการทำความรู้สึกตัวเฝ้าดูจิต ด, ดูใจ จับความรู้สึกตัวในขณะเคลื่อนไหวนี่เป็นวิธีรักษารูปทางจิตคือเข้าไปทําลายสิ่งมืดหมัวเวลาเรามืดหมัวมืดหน้าหมัวตาบางทีเขาเรียกว่าหน้ามืดคนธรรมดานี่ครับจะเป็นโยมก็ได้เป็นพระก็ได้หน้ามืดขึ้นมาแล้วได้เรืองครับที่อายุทยาได้เขาพระแย่งมันสมพานันยิงนันตาย ถึงปกติถ้ามันพระที่ดีไม่ไม่ใช่พระที่เลวแต่พอมันมืดโมวขึ้นมามันไม่รู้สวรรค์ไม่รู้นรกครับไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์มันกําหนดผิดชอบช่วยดีไม่ได้ดังนั้นเราต้องทําลายรากงาของกิเลสครับกิเลสนั้นกิเลสตัณหานั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏมันมีรากของมันเหมือนผลไม้ที่มีพิษเนมันเนื่องจากไ อ, อ้รากของมันเลยดังนั้นเราตัดรากมัน ตนไม้นั่นก็ตายเองรากเงาของกิเลสตัณหาคือเอาวิชาคือความมืดมัวนั่นเองเวิธีทำลายมันก็ทำจงจรองครับเมื่อมันมืดทำให้มันสว่างตรงไหนมืดเอาสว่างใส่เข้าไปถ้าใจไหมครับที่ไหนที่มันมืดที่สุดครับในโลกนี้ไม่ใช่ในเหวในถ้ำในลูปูในรลังอีกาหรือใน ห้องมืดห้องแผลบไม่ไม่ไม่มืดสิเงินั้นกลางคืนที่เดือนมืดนะครับถ้าจิตใจเราสว่างแจ้งดีสบายดีเดินไปไหนสบายดีเที่ยงวันที่แดดจ้าจ้าเนี่ยถ้าใจมืดขึ้นมาละยุ่งนะครับเขาใจนะครับดังนั้นที่ที่มืดที่สุดเป็นที่เดียวที่สว่างที่สุดก็คือที่ใจเรานั่นเองดังนั้นทําความรู้สึกก็ไปที่ใจนะครับ เมื่อผมพูดว่าที่ใจหมายถึงผ่านก็นไปทางกายนี่แหละเข้าใจมคับคือรู้สึกที่ตัวนี้มันจะซึมซ้อซึมไฟจนถึงหัวใจเหมือนเราเทน้ําลงบนสาย น, น้ําก็สายก็ดูดน้ําซึมจนกระทั่งไปถึงเมื่อน้ําถูกเทลงมามันผ่านสายเปียกโชกถึงดินดานในสุดมันก็ไปถึงห่วงน้ําใหญ่ข้างล่างเข้าใจไหมใต้ดินนี้เต็มไปด้วยน้ําเข้าใจไหม ปริมาณน้ําที่มากมายนะี่มันอยู่ข้างในครับที่เรานั่งอย่างนี้ส่วนที่ตกวันนี้เป็นส่วนหนึ่งเนั้นเองแล้วน้ําก็กลับไปสู่น้ําฝนก็กลับไปสู่ทะเลเข้าใจไหมครับเมฆนึงก็น้ำเท่านั้นนครับละอองน้ำเห็นว่าตกกลับในมหาสมุทรเข้าใจไหมครับเห็นความรู้สึกตัวที่เรามีที่รู้สึกทางกายนะมันจะซึมลงไปแล้วมันก็ไปบรรจบกับน้ําข้างล่างวันนี้เราเรียกว่า รู้เห็นเป็นใจคือเราต้องรู้ตัวก่อนแล้วเราก็เห็นมาตัวเนี่ยประกอบด้วยกายและจิตอย่างนี้เรียกว่าเห็นในขณะที่กระพริบตามเห็นแล้วพอรู้เห็นแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นกินที่ใจครับดังนั้นจึงเกิดรู้เห็นเป็นใจขึ้มาโดยศัพท์แล้วคำว่ารู้เห็นเป็นใจนี่แปลว่าเข้าใจผู้อื่นใช่ไมครับเช่นคนอื่นเขาเจ็บป่วยไม่สบายเรา คนกันแกล้งเราเราเข้าใจทีเดียวเรารู้เห็นเป็นจใจเขาดีเขาไม่ดีถ้าในแง่ร้ายก็คือรู้เห็นเป็นใจกันในแง่ร้า ย, ายในแง่ดีก็รู้เห็นเป็นใจกันเรียกว่าเมื่อรู้เห็นตอนรู้นี่ยังไม่เห็นครับเช่นเราความรู้มีหลายชัน้นเช่น ว, ว่ารู้จำอย่างฟังพระสอนฟังมากๆเข้าเดี๋ยวก็จําได้เข้าใจไห จำได้อะไรเป็นอะไรรูปน้ำกายจิตจําได้ทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันยังไม่รู้ครับจริงๆมันยังไม่ได้เห็นอะไรนี่ว่ารู้จักมันต่อเมื่อปฏิบัติเข้าวตามที่รู้มานั้นนั่นแหละมันแบบนี้มันรู้จักคือมันรู้จักว่าอะไรที่พูดถึงหมายถึงอะไรเข้าใจไหมครับเหมือนกับว่าเราดูสือพิมเราจําหน้าคนเป็นหนึ่งได้จริงๆเราไม่รู้จักแต่ก็จําจได้วัเนี้ ต่อวันหลังไปถึงจะเองครับคนนี้เองที่เราเห็นในนั่งสิงคโวันนี้เรารู้จักแล้วเข้าจจไหมครับคือมันมีของจริงจากความรู้จำถ้ามากนะครับฟุงฟุงนั้นเขาเรียวกว่า บ, บ้าธรรมะผมมาเจอคนบ้าธรรมะนี่เยอะเจอหน้าฟุ้งเรื่องธรรมะมันไม่รู้จักของจริงครับมันเลยบ้าธรรมะพูดธรรมะทั้งวัน คนรู้จักแล้วมันจงเงียบครับเพราะว่าพอรู้จักของจริงแลมันไม่มีเรื่องไหไต้องพูดมากนะไม่จําเป็นก็ไม่ต้องพูดแต่ไปวัดแถงเทพที่เข า, าปาวถกบรรยายอภิปรายนะี่ผมเคยไปนั่งฟังนะฟังไปปรมาณเบื่อครับมันบ้าคําพูดพูดกับทั้งทั้งวันเลยอย่างนี้เรื่อรู้จนะําละอันตรายมากครับเพราะว่าคนที่รู้จําได้มากแล้วกลายเป็นนักทฤษฎีลงเป็นนักทฤษฎีแล้วไม่อยากปฏิบัติ อย่างนี้เขาเรียกรู้มากยากนานคือรู้รู้จนกะทั่งอธิบายไปจนจบอนิพพานเลยแต่ว่าจริงๆแล้วรูปนามยังไม่เห็นยังไม่รู้จักมันเข้าใจไหมครับแล่นไปถึงผลโดยไม่รู้จักมัคในพุทธศาสนาเรามีมัคผลอ น, นิพพานนะครับนิพพานไม่ใช่ผลนะครับคือนิพพานมีอยู่แล้วส่วนมัคผลนั้นเป็นสิ่งที่ต้องต่ไปเข้าไปทางมัค บรรลุถึงผลเป็นลำดับส่วนนิพพานนี้ไม่เกี่ยวเรื่องมรรคผลคือมันมีอยู่ก่อนหน้ามรรคผลอาจะฟังลำบากผมจะ อ, อุมานะอย่างนึกษาจะไปเดินทางไปโคราชก็จับรถไฟไปต่อที่ไหนก็ตามใจนะตามเรื่องตามราวแล้วก็ไปถึงโคราชโคราชไม่ใึดผลของการไป ไม่ใช่พอเราไปถึงโคราชจึงเกิดขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นโคราชมีก่อนเราไปครับเข้าใจไหมโคราชมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไปไม่ถึงหรือว่ายังไม่ได้เห็นมันจริงๆแต่มันมีอยู่เรียบร้อยแล้ ว, <S <S ลวเราก็อาศัยจับรถไปลําดับต่อไปถึงนั้นขึ้นคำ น, นั้นต่อไปจนกรทั่งการไปของเราเป็นการเปิดเผยถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วจริงไหมครับไม่ใช่ว่าพอ ไปถึงโคลาดกับปลากดขึ้นมา